ในช่วงแรกเนี่ยในเรื่องของการเข้าค่ายสาหรับคนใหม่นะครับคนใหม่หรือคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วแต่ยังเคยแค่เก็บอารมณ์เจ็บวันสิบห้าวันเนี่ยนะเจ็บวันสิบห้าวันนี้ก็ถือว่ายังพอทนนะพอทนพออยู่ได้ เพราะว่ามันไม่เลยนะมันไม่มันไม่เกินเรื่องแรกเนี่ยหลวงพ่อจะให้เก็บอารมณ์เจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันนะรอบที่สองพอจกกับจิตอารมณ์สิบห้าวันแล้วเนี่ยช่วงต่อไปก็เข้าค่ายไปเข้าค่ายก็เป็นเดือนเดือนหนึ่งหรือสี่สิบห้าวันนะสี่สิบห้าวัน ก็เคยเก็บมาแล้วสำหรับคนที่คนใหม่เนี่ยคนใหม่ช่วงที่กระผมเรือตมาเนี่ยเริ่มต้นจากจากหรวงพ่อไปอยู่อเมริกานะไปอยู่ประเทศนอกแล้วเนี่ยผมกับอาจารย์คงปิด กทำหน้าที่ต่อเมื่อปีห้าสามปีห้าสามก็รวมกลุ่มเข้าค่ายเหมือนเดิมจารดวงศิาจารดวงศิ น, นาจารภมิปิดแล้วก็วัดแท้ก็มารวมกันสามสี่วัดสามสี่ำนักก็รวมกันเพราะว่าช่วงนั้นหลวงพ่อไม่อยู่ แต่เราก็ไม่ทิ้ง ใ, ในเรื่องการเข้าค่ายในกันของเรื่องการเก็บปฏิบัติเราจะทำต่อเรื่องมาทุกปีปีละสองครั้งแ ต, แต่เรื่องเก็บอารมณ์ในพรรษาเนี่ยตลอดเก็บอารมณ์ในพรรษานี่ก็สิบห้าวันสิบปันสิบห้าวันถ้ามีพระสิบูปเราก็จะแบ่งครึ่งเก็บห้าอยู่ข้างนอกห้า สามเดือนนี้ก็จะได้คนละรูปละเดือนครึ่งเดือนครึ่งคนที่อยู่ข้างนอกรูปที่อยู่ข้างนอกก็ทำหน้าที่ออกพินทบาดแล้วก็ทำกิจข้างนอกคนที่เก็บอารมณ์ก็ไม่ต้องทำกิจวัตรอะไรนอกจากมารับอาหารในช่วงก็อาหารก็เวลาเดียวในช่วงแปดโมงครึ่ง ในเรื่องของการปฏิบัติพอมาช่วงหลวงพ่อไปแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่มีคนดูแลแต่ในช่วงหลวงพ่ออยู่เนี่ยจะเข้มคนมากในช่วงที่อาตมายังอยู่อยู่กับหลวงพ่อก็อยู่มาตลอดนะตั้งแต่ปีสี่ห้าตอนนั้นหลวงพ่ออายุห้าสิบสามปีจะมาจำได้นะ 53, ห้าสิบสามนี่โหเร็วมาก ขึ้นเขาสามลกูกสี่ลูกนี่เดินไม่ทันสนะำหรับหลวงพ่อแม่กับทั้งทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะเหงื่อแรงนะพระที่จะเข้าค่ายได้ต้องเตรียมพร้อมหนึ่งในเรื่องศรัทธากำลังต้องดูกำลังตัวเองด้วยว่าจะรอดหรือไม่รอดนะที่เนียนนอตฐานน่นะ เนะียนนอดไม่รู้มาจากไหนนะ <c oughs> แต่ก่อนหลวงพ่ อ, อจริงอาจราิงในเรื่องของการเข้าข่ายในเรื่องของการเก็บอารมณ์ในชุดที่ชุดที่อาตามาเริ่มเรียกหรือว่าผมนะก็ต้องมีความพร้อมมีศรัทธามีความเพียร น, นะครับถ้าคนมีโลก มีโรค ก, กินยาไม่ขาดหรือว่าพบห อ, อยายะช่วงนั้นหลวงพ่อก็จะไม่ให้ไปนะครับถ้าพบห อ, อยาหรือว่ามียากินตลอดเนี่ยหลวงพ่อก็จะไม่ให้เข้าค่ายเพราะว่ามันจะทําให้เป็นกงนังวลเรื่องหมอเรื่องอะไรเนี่ยทุกอย่างนี่นนยแหละนะจะมีคออ้างแล้วก็ยาหมด เด็กก็หมอนัฐนะถ้าสู้อารมณ์ไม่ไหวก็จะหาทางออกหลวงพ่อก็จะกันเอาไว้นะครับพอเข้ามาเรื่อยๆ เ, เนี่ยพระก็เริ่มรู้ช่วงแรกเนี่ยหลวงพ่อจะเอาพระโยมจะน้อยนะโยมจะมีสักสามหรือสี่คนที่จะติดตามไปแต่ว่าก็จะเป็นรวงครัว มีโรงครัวกลางป่านะไม่ได้ไปทำแบบนี้นะบางที่บางที่เนี่ยไปทำกลางป่าเลยนะโรงครัวห้องน้ำก็ไ ม, ม่มีแบบนี้ใช้เสียมนะครับ <laughs> ใช้เสียมใช้เสียมคนละเลม <laughs> พัวแต่ก่อนนะครับอันนี้เล่าย่อๆนะครับผลของมัน ก็คือเหมือนหลวงพ่อว่าถ้าทนไม่ไหวก็แบกกดตะภายบาดหลีกลางคืนนะครับแหกค่สิบแปดพรรษาสิบสี่พรรษาไปไม่อยู่ที่จอมทองนะที่เชียงใหม่สิบแปดพรรษานั้นขยับลงมาเรื่อย นะขยับลงเมเรื่อยตะเลขอยู่บนเสาอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนก็ขอลองพ่อโอ้ข้างบนมันร้อหลวงพ่อขอลงมะอยู่ตรงเนี้ยผมว่ามันดีนะอ่าขอหลวงพ่อลงมาอ้าวพอวพอลงมาได้วันสองวันขออีกละโอ้ไม่ไหวหลวงพ่อตรงนี้ที่มันตะแคงเดินไม่ถนัดอขอขอลงมาเรื่อยๆพอในที่สุดครั้งที่สามครั้งที่สี่ ไปเลยนะไม่อยู่เลยคนนี้ริเลยตื่นกันมาไม่เห็นเลยก็มีเหี่ยคายนะครับไม่ธรรมดานะครับในเรื่องของการเข้าค่ายกิจอารมณ์แล้วก็เรื่อยๆมานะครับมีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นมารุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อมาพาเข้าที่ขุนบินในช่วงปีสี่ห้าก็หนานกิจ กิตาคมทุกคนคงจะรู้อันนั้นก็เหตุนนกันเหตุค่ายไปสิกทิละยองไม่ธรรมนาแะครับอารมณ์ตัวเนี้ยอารมณ์ในการเข้าค่ายเก็บอารมณ์เนี้ยพาชวนชวนกระผมเลือกตมาเนี่ยแต่งพงแต่ผมจะชวนเดี๋ยวผมจะพาเดินจะเดินไปไหนเนี้ยหมละออกไม่สอดอยู่ละหมดแล้ ว, ลวอ้ตอนนี้เราเก็บอารมณ์รู้จะไปไง อ่ะนะไปเถอะน้าเ น, นะชวนผมผมก็ไม่สนใจนะหลวงพ้อให้ไปอยู่ไกลแลนะ้วอยู่เขาคนละลูกช่วงนั้นอยู่เขาคนละลูกออยู่แต่กินเราคมสั่วรวมไม่ไหวไปเลยออกตามหากันทั้งโอ้หตามหากันทั่วภูเขาเลยพอไปถามทางลงถามเมียวมุงเขาบอกไปแล้ว <c oughs> นะไม่ไม่ธรรมนาในเรื่องของการปฏิบัติต้องมี แต่พ า, ามีความขันติมีความอมดทนแล้วก็มีกำลังที่จะต่อสู้นะครับในเรื่องนี้แต่มาช่วงเพิ่งมาเข้าค่ายนะครับกับหลวงพ่อตั้งแต่ปีห้าสามครับก็เก็บปีผมในเรื่องของการเข้าค่ายผมเห็นอานิสงตัวของผมเอง ขาที่หกเอาไม่อยู่นะครับมันสู้ความคิดไม่ไหวอยากจะสึกครับอยากจะสึกอยากจะลาสิกขาครับภาษาที่หกโอ้มันปรุงแต่งปลูก เ, เรียกว่าปลูกยากคาพ ย, ยาคาขายก็รวยนะตรงนั้นนะนะความคิดนะ ทำอะไรก็รวยหมดอ่ะช่วงนั้นมันคิดในเรื่องอนาคตที่จะไปสร้างอนาคตใหม่นะครับในเรื่องของความคิดแต่พอได้ไปเข้าค่ายเก็บอารมณ์หนึ่งเดือนอารมณ์นั้นหายไปเลยครับอานิสงส์ของมันอารมณ์ที่อยากจะสืบซี่มีความมั่นใจ ในการบวชของตัวเองไต้ร้อยเลยครับกลับมาอันนี้ส่งตรงนี้ที่ผมได้ครับในเรื่องของการปรุงแต่งในเรื่องของอนาคตนี่สั้นลงมีอยู่แต่สั้นลงรู้เท่ารู้ทันในเรื่องของความคิดในช่วงมัณฑสกที่หกนะครับมีความ เขเรียกว่ามีใจเต็มร้อยนะเข้าค่ายหนึ่งเดือนกลับมาเห็นานี้ส่งตรงนี้นะครับผมก็เลยติดตามมาตลอดในเรื่องการเข้าค่ายแม้แต่แม้แต่หลวงพ่อไม่อยู่ก็ทํามาตลอดก็ปรึกษากับอาจารย์คมกิจในช่วงนั้นอาจารย์คมกิจก็อ่ะหลวงพ่อไม่อยู่เราก็ทํากันแต่อาจารย์คมกิจท่านจะไม่ออกผ้าใหม่ เรานี่มีโอกาสดีเลยครับพระใหม่เพิ่งบวชได้มาเข้าค่ายกับหลวงพ่อเนี่ยสุดยอดเลยครับบุญมากเลยครับอาจารย์คงกิดเนี่ยนะครับบอกเอามาเป็นภาระท่านบอกว่าไงถ้ายังไม่รู้เข้าใจเรื่องอารูณรูป น, นามเนี่ยผมไม่เอานะมันบอกยาก ท่านเราถึงขนาดนั้นนะอาจารย์นะของนี้แต่ผมว่าผมว่าเห็นอันนี้ส่งตรงนี้อาจารย์วัดมะพระมาจากถ้ำเนี่ยก็เป็นผ้าใหม่นะแต่ปฏิบัติมาแล้วพันศาหนึ่งมันหกหกน้ำมันยังหล่ะโอ้ยมันก็พอรู้ด้วยอาจารย์ะก็คุยกันนะก็พอรู้อยู่อาจารย์แต่บรรลุยังบาหลายเลยโอ้ถ้ามาแล้วก็ดูแลกันเองเด้อท่นว่า ผมก็รับอาสารับอาสาดูเรพระใหม่ในช่วงนั้นครับก็เอาไปแล้วก็เห็นอ น, นิสงฆ์พระใหม่ที่บวชหนึ่งพรรษาแล้วอยากจะสึกอยู่ได้ครับทุกวันนี้อยู่ได้หลายรูปครับอยู่ได้หลายรูปสงบหนึ่งรูปคุณตั้งที่มานี่ ก็หกพรรษาผ่านไปแล้วสงบตั้งกรรมก็สิบพรรษาแล้วอย่างจันแดงนี่ก็สิบเอ็ดพรรษาถ้าไม่ได้เข้าค่านี่ก็ไปแล้วครับเพราะว่าในช่วงในช่วงที่ออกพรรษาเนี่ยเก้าเดือนนะครับแล้วแต่จะไปไปวัด น, นั่งนั่งไปวัดนี้บ้างปล่อยใจเลยครับตามรู้สึกตัวไม่มีเลยในในช่วง เเรือนอีูครับถ้าวัดไหนที่ไม่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยการปฏิบัติจะไม่ต่อเนื่องเลยครับจะไปตามอารมณ์ไปตามความคิดครับเนี่ยในในช่วงเนี้ยที่ออกพรรษาเนี่ยเก้าเรือนนะตั้งแต่ออกพรรษามาก็คิดอย่างไป น, นู่นไปนี่ตึก็ปแล้วครับพระวัดเทพฐานก็สึกเิ์ไปแล้วสี่พรรษาห้พรรษาตึกไปแล้ว ไม่มีการเข้าค่ายเก็บอารมณ์เข้าแต่ปริวาปาิวะครั้งสุดท้ายสึกไปแล้วครับห้าพรษาอา น, นิสงส์ผิดกันครับก็เลยม่เห็นอา น, นิสงส์ของตัวเองที่ได้กับการเข้าค่ายแล้วก็ได้มัดทวนอารมณ์ตัวเองนะครับอารมณ์ที่เราเคยผิดพลาดในการกระทำของเราเนี่ย ที่เคยผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นครับเราจะเห็นอารมณ์ที่ในการกระทำของเราในการที่เราในการปฏิบัติของเราที่มันไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันผิดมันพลาด่มันหลงมันหลุดตรงไหนนะเราจะรู้เรามาตรวจสอบตัวเองนะครับในเรื่องของด้านปฏิบัติก็เลยปีนี้ นะครับผมเห็นไอ้นี้สงตรง น, นี้ก็เลยได้มาปรึกษากระลุงพ่อแล้วก็อาจารย์ดวงศิลอาจารย์ศิลตรงรับตาหลวงพ่ออย่างดีนะอาจารย์ดวงศิลถึงเวลาเงียบปิดเลยส่ตงตัวแทนมานะนะครับในเรื่องของการเข้าค่ายมาช่วงหลังกับที่หลวงพ่อ ผมก็เข้าใจว่าทำไมหลวงพ่อทำแบบนี้นะครับถ้าทำเหมือนที่เคยผ่านมาเนี่ยเสิบปีที่แล้วให้แังมานี้ยผมว่าไปแล้วครับไม่มีอยู่แล้วครับเนี่ยจะเหลือก็ประมาณสามสี่รูปผมรับประกันได้เลยครับถ้าหลวงพ่อไม่ทำแบบนี้นะไปแล้วครับถึงเก่าก็จริงแหละ หลวงพ่อจะเปลี่ยนตลอดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ตลอดเลยถ้าไม่เปลี่ยนนะครับเรียบร้อยแล้วครับถ้าเข้าเก็บอย่างเดียวเนี่ยไปแล้วหลวงพ่อจะเปลี่ย น, นครับเมื่อเช้าเนี่ยผมรู้สึกล่าคายกันหมดเลยนะครับถ้าหลวงพ่อไม่เปลี่ยนเมื่อเช้านี้นะครับถ้าให้เข้าเก็บเลยครับค <c oughs> ายแตกครับ จริงนะครับผมพูดเนี่ยเรื่องจริงนะครับเพราะว่าผมเจอมากับตัวเองแล้วจะรู้ทางครับรู้ทางออกรู้ทางออกครับนะก็เลยมาปรึกษาหลวงพ่อพระเราเนี่ย ม, มันทำไมถึงหายากเกิดยากจัง ก็เลยบอกหลวงพ่อปีนี้ให้หลวงพ่อพาเข้าค่ายแต่หลวงพ่อมีเวลา ห, หลวงพ่อบอกหลวงพ่อขลินัดนัดมาเป็นเป็นเดือนมีนานะครับผมก็เลยรวบรวมนะพระที่ก็ ก, ก็ก็บอกแล้วว่าถ้ามาเข้าค่ายก็ต้องมีศรัทธานะทุกลูกมีศรัทธาแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความอดทน มีความเพียรที่จะสู้สนุกเลยครับเข้าค่ายกับหลวงพ่อเนี้ยจะพูดให้ต่างอย่างนึงอุปสรรคของคนเข้าค่ายปฏิบัติอุปสรรคนะครับจะไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความฟุ้งซ่านที่ท่าแสงเทียนเข้าค่ายหลวงพ่อพาเข้าค่ายมีพระองค์หนึ่งชื่อน้อย มาจากพิชบูรก็เหมือนกันนะครับย้ายต้นใหญ่ยอดเขามาจนถึงกุฏิไม่ดีสักที่เลยครับพอมาอยู่ตรงกุฏิหลวงพ่อก็เอามาพ้าให้ตต้นหนึ่งมาพ้าหนอ่อมาเจ้าหน่อมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวที่มีหนอ่อมีต้นมีรากนะต่อไปให้ใหพระองค์นั้นปลูกเอาเขอปลูกได้สองวันหลวงพ่อบอกไปย้าย ให้ย้ายต้นมะพร้าวย้ายต้นต้นมะพร้าวตายครับนะครับไม่ธรรมดานะครับการปฏิบัตินะ่ะถ้าไม่สู้จริงๆนะครับตรงไหนตรงนั้นเลยตายเป็นตายนะครับในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยอย่าย่อท้อครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเองครับเปลี่ยนไม่ต้องกลัวครับมันร้อนทนนะครับอันนี้ อันนี้สบายแล้วนะครับเนี่ยผมว่าขอให้เรามีความอดทนอีกสักนิดหนึ่งอุปสรรคของการปฏิบัติช่วงนี้หลวงพอ่อหลวงพ่อเนี่จะปล่อยตามสบายแต่พวกเรานะครับผมก็ยังมองเห็นอยู่ว่ายังลัดรอบแอบไปคุยกันอยู่พอฟุ้งซ่านนะครับพอฟุ้งซ่านก็ไปชวนให้คนอื่นฟุ้งซ่านไปด้วยก็เพราะว่าหลวงพ่อก็ หลวงพ่อก็เห็นนะครับแต่หลวงพ่อก็ปล่อยแต่แต่ก่อนไม่ได้นะครับคนไหนที่ฟุ้งซ่านมากมากดีหลวงพ่อส่งกลับเลยครับแล้วไม่ได้บอกนะไปเลยคนไหนที่ปรุงแต่งมากๆที่ทําค่ายยังไม่เสร็จก่อนสามวันเนี่ยส่งกลับเลยครับทําอย่างดีเลยครับค่ายกวาดเลี่ยมทำโบว์วงอย่างดีหลวงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยว ไปกินมิมนกับผมหน่อยข้างนอกออกไปทรงไปอยู่วัดเลยครับไปเฝ้าวัดครับไม่ได้อยู่หรอกครับที่ดีๆหรอกครับความคิดความตรงแต่งมากยิ่งถ้าแก๋ๆนะครับจะเรื่องยาเรื่องยาเรื่องทําที่ทําทางอะไรนันไม่จบง่ายๆครับเดี๋ยวก็ปอกปอกเต๊กเต๊กแล้วก็ทำนุำ่นทํำนี่ทั้งวันเละครับพยายามนะครับ รู้ทันมันนะครับเรื่องการปรุงแต่งต้องไหนดีไม่ดีเนี่ยเอาไว้ก่อนเดินเตะกระดูดเดินอะไรเออเอาไว้ก่อนอย่าพุ่งไปอะไรกับมันพู้กับมันตู้อารมณ์นะครับในเรื่องของการปฏิบัติเนีย่ยแล้วอย่าย้ายอย่าหนีอย่าออกจากตู้จงกลมอย่าออกจากตู้ปฏิบัติอันนี้ยังน้อยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยสิบแปดชั่วโมงเต็มนะครับ แล้วจะไม่ได้ตื่นใครตื่นไม่ทันนี่ตีสามนะครับคอปวดแล้วครับคนไหนตื่นไม่ทันจุดเทียงให้เลยครับตื่นขึ้นมาเอา้าไข่มาจุดเทียนว่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ว่าสบายสบายเนี่ยเราต้องคนขวายตัวเองนะครับต้องคนขวายต้องมีความมุมันนะ นะครับในเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะต้องให้คุมต้องให้บอกต้องให้โอ้ยไม่ได้ครับขึ้นอยู่ที่ตัวเราครับตรงนี้นะครับขึ้นอยู่ที่ตัวเราในการปฏิบัติตุดยอดนะครับในเรื่องข้อมูลแต่ละวันที่หลวงพ่อให้เนี่ยตุดยอดเลยครับแต่ก่อนไม่ได้ให้แบบนี้ครับละเอียดยิบเลยครับบรรลุได้เลยครับเนะี่ย รู้เลยครับข้อมูลหลวงพ่อให้ละเอียดมากเลยครับในแต่ละวันนี่ครับแต่ก่อนไม่มีแบบนี้ครับหลวงพ่อจะให้เป็นไม่ได้ละเอียดให้ไปหาเอาเองให้ไปทําเองบอกนิดนิดแค่นั้นเองเดินทั้งวันเลยครับ อันนี้คนไหนที่ไม่รู้ก็รู้ครับผมว่าไม่ียาดครับในเรื่องอารวมต่างๆหลวงพ่อจะพยายามเน้นเรื่องนี้แนื้ตัวกับผมเองนะครับมาวันนี้แะครับสุดด้วยครับตั้งแต่เคยเก็บอารวง ม, มามาครั้งนี้หลครับแค่เก้าวันสิบวันนี้โอ้โหยนะครับดีว่าเก็บเป็น เดือนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องไปเป็นผู้จัดการครับไม่ต้องเป็นผู้จัดการแต่ก่อนเราเป็นผู้จัดการเข้าค่ายที่ไหนเดียงกันนะมันพองดูผ้าใหมอ่าเดี๋ยวกลาวอารมณ์อะไรเยอะแย ะ, ะไปหมดเลย ทั้งอาหารทั้งอะไรทั้งข่ทั้งอะไรที่จัดที่อะไรเเพราะว่าเราก็ต้องไปดูเลยทุกอย่างนะครับเป็นผู้จัดการในเรื่องของพระก็ก็ก็เหมือนหลวงพ่อว่าทาด้วยความอยากครับ <laughs> จะคอยย่องไปดูเขาเอาตำราหลวงพ่อตอนเช้าก็ย่องไป ตื่นก่อนเขาตอนเย็นก็นอนที่หลังเขานะครับถ้าคนไหนทําไม่ดีก็อมืมันทําไมเปลี่ยนแบบนี้นะเนี่ยเราอุตสาห์ลงทุนออืืทุกอย่างไม่ได้ออกอะไรสักอย่างเลยเนะี่ยทั้งค่ารถทั้งค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างบริการหมดทําไมถึงเราเสียดายนะเสียดายว่าทําไมเขามาแล้วเขาไม่ตั้งใจ ดันดันจะไปทุกข์กับเขาอีกันนะบัญชีทำด้วยความอยากพอได้ยินหลวงพ่อพูดโอหลวงพ่อทําด้วยความไม่อยากมาช่วงหลังก็เหมือนกันครับช่วงหลังไม่ทุกข์กับใครแล้วครับผมผมก็เหมือนกันครับผมก็ไม่ทุกข์ครับใครจะทํำไม่ทําเรื่องของของท่านผมผมก็ทุกข์มากับพระกับโยมมาเยอะแล้วเลยครับแต่ก่อน ใครไม่ตื่นก็ไปปลุกครับไปไปปลุกไปคอยปลุกเขาคอยอะไรต่ออะไรทุกอย่างเลยนะครับในช่วงเดี๋ยวมันจะมาเนาะเอาสรุปมาเรื่องของผมเองนะครับสุดท้าย1ิดติบวันนะครับติบวันที่ผมได้เข้ามาตรงนี้มันมีสะดุดอยู่ ในช่วงวันแรกช่วงวันแรกเนี่ยก็คืองานทางวัดยังไม่เรียบร้อยทุกอย่างนะครับเพราะว่าทั้งการก่อสร้างทั้งการเตรียมงานการอะไรไหลายอย่างแล้วแล้วก็พระไม่มีอยู่วัดแล้วก็เรื่องไฟเรื่องน้ำํำไฟทั้งทั้ ง, ท, งทั้งไฟฟ้าทั้งไฟป่าทั้งน้ําไหลบ้างไม่ไหลบ้างอย่างนี้นะครับช่วงแรกมันก็คิดเรื่องนี้ วันแรกนะครับแค่วันแรกวันเดียวพอหลวงพ่อพูดว่าอะไรมันจะเป็นยังไงก็ถ้าเจ็ดวันเขาจะเป็นจะตายไม่ได้หรือว่ามันจะเป็นยังไงมันมีจะเป็นอะไรอ่ะแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรนี่มันหลุดเลยครับรุดออกตรงนั้นไม่มีไปคิดเรื่องเรื่องนี้เลยครับจะเป็นยังไงก็ช่างนไม่มีเราเขาก็อยู่ได้นะครับอ เรื่องหลังก็เลยพอมาวันที่สองนี้วันที่สองเนี่ยพอได้เข้าปฏิบัติโอ้โหมันมันรวมมันรวมได้เร็วจริงๆครับนะรวมในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันเห็นอารมณ์ที่ตัวเองเคยได้เข้าค่ายกับหลวงพ่อมาครั้งสุดท้ายที่ดอยเต่าอาเภอดอยเต่า ที่หลวงพ่อไปไปอยู่ด้วยในช่วงนั้นแต่แต่หลวงพ่อก็อยู่ไม่ตลอดในอาราลงตัวเองมันผิดกันเลยครับจากที่เราช่วงนั้นกับช่วงนี้แต่ว่าก็ทํามาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ใช่ทิ้งนะครับก็ทํามาเรื่อยๆการปฏิบัติถือว่าเป็นงานนะครับงานของผมเลยการปฏิบัติคืองานของผม ผมคิดอย่างนี้กิจวัตรทุกอย่างเป็นงานการปฏิบัติเป็นงานงานเป็นงานทุกอย่างเป็นงานหมดงา น, นคือการปฏิบัติทั้งหมดเลยเป็นอะเดียวกันมาเห็นนะครับแต่ก่อนนี่มันแต่ก่อนที่จะหมดหิริดอารมณ์หลงพ่อมากเด็วก็เปลี่ย น, นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนู่นอะไรนู่นนู่น น, น, นี่ทุกทกิตงาเหมือนพระที่เราโดนนี่แหละ จะเป็นเหมือนอารมณ์ผมที่เคยเป็นแต่มันมันไม่มีครับ ม, มันเฉยทำอะไรก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ทาอะไรก็ได้มันไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับไม่ได้คิดเรื่องนี้คิดเรื่องตัวเองมาแล้วต้องมีเวลาเราต้องอ่อยคุมเพราะว่าเราไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมาลับ อะไรตัวอะไรทุกอย่างหลวงพ่อรับหมดเลยทุกอย่างเราต้องหมุนขวายตัวเองปฏิบัติอย่างเดียวนะครับตั้งแต่วันแรกเลยครับเดินแข่งกันเนี้ยนฮนะัแต่ก็เห็นอารมณ์ตัวเองว่ามันลดเหมือนมันมันลดอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับจากจากที่ตัวเองได้ได้ ได้ทำที่ขุนวินครั้งนั้นแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแต่มันไม่ไม ม, มันไม่ได้ตรวจสอบอ่ะมันไม่ได้ตรวจสอบก็คือเราก็ทำมาเรื่อย ๆ, ๆแต่ช่วงนั้นมันยังลดไม่มากก็ประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหรือค่อนนะลงมาแต่ยังยังยังยังไม่ถึงกับแต่มาที่นี่มันลดนะครับเห็นราคาที่มันเคยแต่ก่อนนะครับผมจะโถตะแรงมาก ที่ใครเคยฟังที่ที่ผมพูดให้ฟังมีราค่าอย่างเดียวโสด์ในเรื่องทุกอย่างเลยนะครับแต่ผมได้มามาวันนี้ยผมไม่เห็นรายละเอียดมันสามารถจิตเ น, ม น, มมนมีมันไม่มันไม่มีไม่มีตรงนี้เลยครับเน้แต่แต่ก่อนเนี่ยเคยไปเข้าค่ายเนี่ยไออตัวเขาเรียกก็ไอเมียงอะไรนะตอมหูตอมตา อะไรนียวโอ้โหยมันลาคาญมันงุดกริดวุ่น ง, งานมันลาคาญฟุ้งซ่านไปกับตัวเมียอันนี้ยพึ่งบางอะไรบ้างเนี่ยที่มันเดินกําลังได้อารมณ์ดีได้อารมณ์ดีเอาเดินบินเข้าตาแล้วเอาบินเข้าหูอู้กรครับาอีกตรงให้ทําให้เราอารมณ์เสียอีกกำลังได้อารมณ์ดี ด, ด, ดีนี่แต่อันนี้โอ้ยขอบคุณครับที่มาเตือนผมไม่หลับหรอกครับขอบคุณมากอีกอะ่ะขอบคุณครับที่มาเตือนผมผมไม่หลับหรอกครับ ขอบคุณไอตัวเมียวีเมงวันเน่ยที่มันมดจ่อหัจ่อตาเราเนี่ยเออมันก็มีอารมณ์ขันเหมือนกันบอกขอบคุณครับแต่ก่อนเปี้ยะเลยท่านยุงทั้งงดอะไรอืไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ไปไปไปต่างคนต่างอยู่ที่ว่าเห็นนะครับเห็นอารมณ์ตรงนี้แต่ก่อนนี่โอ้โหมันมันมันหนักหนาตาโหดมากในเรื่องอารมณ์โทสะราคะ ราคานี้มันมันเห็นนะครับเห็นแต่ก่อนนี้มันความคิดความปรุแต่งมันก็มีอยู่แต่ว่ามันมีประสบการณ์มามากมันจะสั้นลงสิกสันนี้จะเห็นสักสองครั้งนะครับแต่มันดับไปเร็วมากครับราคะโทสะมมหะยังมีครับหลง ตัวเพลินตัวตัวตัวตัวตัวอะไรนะนี่หลวงพ่อเผลอกับเพลินเนี่ยข้อพิสูจน์นะครับตัวไหนคือตัวเผลอตัวเพลินตัวเพลินคือตัวสบายครับเนี่ยมันลองดูสิเดินดีดีลองนั่งดูสักหน่อยที่มันเป็นยังไง <c oughs> เดินแนะล้วกําลังเดินก็ดีนะ <c oughs> เดินมันมันก็น มันก็เขาเรียกว่ามันเพลินเพลินในการเดินอนะ่ะเพลินกําลังธรรมะก็จะเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าธรรมะวิจยะนะัยเนี่ยเราก็ถามวนะ่าเอ๊ะมันเป็นธรรมะหรือมันเป็นความคิดวะเอออี่ที่หลวงพ่อบอกนะที่มันไม่ใช่ความคิดแนละ้วมันเป็นธรรมะนะล้วก็พยายามดูนะ่ะดูดูเออดูอลองนั่งมองที่อ่านั่งพอ น, นั่งสบายนั่งอิงแค่เดียว มันมันมันขาดไปเลยครับปุ๊บไปเลยมันตื่นขึ้นมาบอกเพลินมันว่ะเขาบอกเพลินมันว่ะมันมันมันบอกเขามาเองแบบเพลินมันว่าะอือพอโตัวก็โดดหน่อยเรานั่งบนเก้าอี้หรอกเพลินโอ้โหแจ้งเลยตาเนี่ยเพลินเออมันเป็นแบบนี้นี่ว่ะนะอือเออนั่งใจน้ำม้โอ้โหคานิ่งมัน ไปรู้อะไรต่ออะไรเลยธรรมะนะมาโอ้โหสองวันสามวันติดจนจ ด, จ ด, จดไม่ได้เลยจําจดสมุดนอืหอหึมมันมันทะลุหมดน่ะมันมันมั น, มนถามมันตอบตอบตอทะลุน่ะเห็นทะลุความสบายความไม่สบายความเพลินเห็นตั้งแต่กายนะครับเห็นกายเห็นเวทนาเนี่นะเห็นกายเห็นเวทนา เห็นกายก็เห็นเวทนาเห็นเวทนาเห็นทั้งหมดเลยครับเห็นจิตเห็นธรรมเห็นอนารมณ์โอ้เลยหลวงพ่อจะก่อนหลวงพ่อบอกให้ให้ดูแต่ตัวหนักตัวเบาแล้วก็พอทนได้ที่ที่อยู่โดยเต่าผมก็ไม่ทำนะครับผมก็ทำแต่ก็ได้ผลครับแต่ว่าคำพูด คำพูดที่ที่หลวงพ่อมาใช้ใหม่ก็คือ mm hmm. เผลอเผลนกับ mm hmm. เผอกับ mm hmm. เผลนแต่ก่อนมีหนักมีเบารับผอพอบทนได้ที่ที่ผมไปทำที่โดยแต่ผมนั่งยกมือสร้างจังหวะช่วงนั้นโอ้ยที่ที่ที่ที่โดยตอาเนี้ยผมก็รู้เลยผมรู้เรื่องเรื่อง เรื่องขันห้านะครับเรื่องเรื่องขันห้านี่ยช่วงนั้นรู้พอรู้ไอเรื่องเรื่องไอไ อ, ไ อ, ไ อ, ไอปริยัติผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับตทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่แหละอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรรู้ว่าที่เราเป็นเนี่ยที่เราเป็นเพราะอะไร เราเป็นทุกข์เพราะอะไรแล้วทุกข์มันเกิดจากอะไรเนี่ยถ้าถ้าเราเข้าไปรู้ะเข้าไปรู้เวทนาเนี่ยรู้ในเวทนาเนี่ยเวทนาในเวทนาเนี่ยรู้กายรู้เวทนาเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจากไหนมันก็มีอยู่สองทางหนึ่งขึ้นเกิดขึ้นทางกายกายกับใจนั่นแหละ ลูกกับนามนั้นแต่ว่ามันผีนะครับเรานั้นยกลูกสร้างจังหวะเนี่ยมันไม่ทันครับดูกายตรงเนี้มันไม่ทันหลวพ่อก็เลยมาให้ดูเวทนาดูเวทนาช่วงชั้นนั้นลงหลวงพ่อให้ดูการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนท่าในการเปลี่ยนท่าเปลี่ยนรูขยับรู ลุกอู้เดินลุให้ให้อยู่ในท่านั่งหรือท่าเดินจิตของเรามันมันมันออกจากเวทนาทั้งทางกายตัวเปลี่ยนตัวตัวเปลี่ยนตัวเผอมันก็ออกมาอยู่กับความรู้สึกการยกมือสร้างจังหวะมันวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งไปดูตัวหนักตัวเบาตัวเปลี่ยนแล้วก็ออกมา หลัง ก, ก, กั้นก็มารู้สึกตัวบางที้ออกไปไกลนะครับพอรู้ตรงนั้นเข้ามาก็มารู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาว่าทุกข์มันเกิดขึ้นทางไหนแล้วเราทำไมถึงทุกข์มันทุกข์เพราะว่าเราไปยึดมันยึดอะไรยึดนี อันห้านั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราไปยึดว่าเวทนาเป็นเราอ่ะพอมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยในเรื่องของกายนะครับเจ็บปวดเมื่อยปวดเข่าปวดข า, ว ป, วดขาวปวดหัวอย่างเงี้ยไปยึดโอ้ยเราทําไมเป็นนี้วะทําไมมันจะแบบว่นนี้ทําไมไม่ได้อารมณ์อะมันโอ้ย เราก็ไปยึดเลยครับยึดว่าเป็นเราเนะ่ยเราปวดยึดว่าเบียถนาเป็นเรามันก็เลยหนักครับโอ้พอได้มาเห็นตรงนี้นะครับลูกเบีย น, นาปัญญาสังขารมินยางไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเมื่อบันทีที่มมกหอวานนี้ครับมันเกิดขึ้นมาเลยครับ มันขึ้นมาอีทาตะฐา ก, กระโตโลเกอปัโนพรตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้โอโ้โหนะครับไปเลยจบเลยใครลองเที่ยดูครับอีธาตัฐากระโตจบเลยครับอยู่ในนั้นหมดเลยครับกันทั้งห้าเป็นตัวทุกนะครับนะครับอยู่ในนั้นหมดเลย สองวันสามวันแต่ผมอาจจะเรียบเรียงยังไม่ถูกนะครับมันมันมันคือสามวันเลยครับวันนี้วันนี้ก็ช่วงสามโมงสี่โมงผมก็ถามตัวเองนะครับว่ามันความคิดหรือเปล่าวะนะมันความคิดหรือเปล่ามันก็รู้สึกอะ่ะรู้สึกพอเกิดขึ้นมาก็รู้สึกเกิดมารู้สึกรู้สึกแล้วมันก็ตอบได้ตอบได้รู้ได้นะครับเข้าใจอ่ะ ยิ่งคำที่หลวงพ่อพูดมาทุกทุกคําเลยนะครับทุกคําเนี่ยเข้าใจแต่มันมันมันสมมุติี่ยมันมันตรรยัดเนี่ยผมไม่เก่งนะครับไอเรื่องสมมุติเนี่ยแต่ปรมัจิตเนี่ยมันเข้าคนใจตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยครับมันชนใจเลยครับชนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊เลยครับแต่เรื่องนี่แหละที่หลวงพ่อจะให้มาเรื่องตรรยัดเนี่ยผมผมไม่ค่อยเก่งไม่เก่งเลยครับเรื่องตรรยัดเนี่ยในเรื่อง ไอ้บาลีหรือว่าในเรื่องของปริยัติเนี่ยมันมันก็เลยเรียกชื่อมันไม่ค่อยถูกเรียกสมมุติไม่ค่อยถูกนะครับนี่ครับก็เลยจะต้องมาเรียนในเรื่องของปริยัติเรื่องของสมมติอีกสักหน่อยนะครับมันเพิ่งจะเรียบเรียงได้ได้ถูกนะครับเพราะว่ามันมันมันในเรื่องของสมมุติเนี่ยมัน มันก็ไม่ไม่ค่อยแปลอะไรไม่ค่อยเก่งนะครับไม่เหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเรื่องตรีญาณอยู่ น, โฮโฮนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของอาการของทางจิตในเรื่องของสมมุติเรื่องปรามัตินี่ก็มาเข้าใจว่าในเรื่องของขันห้ามันมีเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงนะครับ ตัวสารมันี่ก็คือตัวไม่เที่ยงครับตัวมุดก็คือตัวเที่ยงมันที่ทำให้เกิดทุกข์นะครับไปยึดในเวทนาว่าเป็นเรานะครับเป็นเราเป็นตัวตนของเราโอ้โหมันเป็นเยอะเลยครับเราเป็นด็อกเตอร์เป็นครูเป็นอาจารย์เราเป็นอุ้ยสารพัดป็นน่ะครับที่มันไปยึดนี่แหละครับที่มันทุกขึ้นมานะครับไปยึดเพามันเที่ยงครับ ยีดว่ามันเป็นของเที่ยงเราก็ไ ป, ไปติดสมมติมตรงนั้นออกจากสมมติ ม, มาไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่เที่ยงครับมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มันที่มันเป็นของมันอยู่แล้วนะครับที่มันเป็นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าเรายึดเมื่อไหร่เราก็ทุกเมื่อนั้นนะครับ มก็เลยมาเข้าใจในเรื่องเรื่องนี้มันมันเชื่อครับอืมมันมันพูดไม่ไม่ออกกับมันพูดไม่ออกนะครับในช่วงระยะสามมันเกิดขึ้นสามวันวันนี้ก็ประมาณสามโงเย็นนั่นแหละเพราะว่ากะว่าจะทําำวันนี้จะทามันทำได้ความอยากก็เลยดูมันหน่อยหนึ่งก็เลยเก้อมาที่หลังอืมะอยไปไปอยากกันเลย ทำวันะดก็ไปผ่านมานะครับในเรื่องของการปฏิบัติก็ครับอริสงนะครับอริสงแล้วก็ในเรื่องของการเข้าค่ายนะครับมันมีอริสงมากสาหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็เห็นหมู่คณะคณะสงฆ์ที่ได้อริสงตรงนี้มันก็เลยมีโอกาส ที่หลวงพ่ออยู่ครับก็เลยได้ชวนคณะสงฆ์นะครับแล้วก็หลวงพ่อก็มีความเมตตานะครับเอายาติยมเข้ามาด้วยก็ถือว่าพวกเราทุกคนลูกลูกทุกนามเนี่ยเป็นไม่ใช่ธรรมดานะครับที่เข้ามาได้ที่มาทำได้นะครับอีิสงตรงนี้นะครับแต่เราให้ ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับในอาณาจักทุกขังอนุตนตะอนัตตะนะตรงพ่อจะมีตลอดนะครับและมีตลอดในในเรื่องของใจรักนะครับแต่เราก็ต้องเผื่อไว้นะครับถ้าเราไม่เผื่อไว้มันก็จะทุกข์นะครับ สำหรับการเขาค่ายครั้งนี้นะครับตัวก็ผมเองก็คิดว่ามันยังมีภลระอยู่นะครับก็เลยผมไม่ได้กลุ่มหลวงพ่อนะครับก็ขออนุโมทนานะครับมั น, มนพูดไปก็จะยาวนะครับนุโมทนาเกี่กับคณะสงฆ์ของเรานะครับก็ขอให้มีความตั้งใจนะครับ มีความตั้งใจอีกยี่สิบปันนะการเปลีป่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าใครมีความเพียรมีความตั้งใจจริงๆแล้วก็ทําอย่างถูกต้องต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเป็นผู้เชีท้ทางเราไม่ต้องไปเรียนอะไรเลยครับเดินตามอย่างเดียวครับเดินตามนะครับเดินตามก็เพื่อไปทํานั่นแหละครับเดินตามไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปเล่าเรียนอ ร, ริยสัจอะไรเลยครับอันนี้เรา มีผู้พาไปเลยครับเราไม่ต้องไปอ่านแผนที่แล้วก็เดินเองมีผู้ที่พาไปมีหลวงพ่อพาไปพาเดินนะครับผมรับรองได้ถ้าเราหลงทางเราถามเลยครับถามที่หลวงพ่อผมมาทางนี้ถูกไหมเนี่ยทำไมถามเลยครับถามเลยจะได้ไปถูกทางจะได้ไม่เสียเวลานะครับครับในเรื่องนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ ก็นี่คือานี้นสูงนะควาจริงผมพยายามลำดับภาพดูที่เจนพงเอ่ยถึงว่าเราพิจารณาย้อนหลังไปแต่มันน่ากลัวนะครับ่ายบางคขยให้เราไปจัดได้ไง <gt> นะมันโดยเฉพาะใน่ายที่ไม่เก๋งนะจำได้ไหมที่แพรเอาเอาเน้นภาพรูร้อนไปบดด้วยใครไม่เก๋ง พอเขาค่ายได้สักเขากลับว่าเดินแล้วค่ายได้สักประมาณสักเกีตวันะอาจารย์ชริยาพาพระาคนนี้ไปยานิชตามป่าเขาหลงทางเขาหลงทางพาในน้อยไปนอนกลางป่าอตามกันสองวันเจอกลับมาเพราะฉะนั้นลักษณะที่ไปเข้าค่ายขอนที่เราเดินเล่นไปไปไปหลงทางแล้วที่กลับค่ายไม่ถูกไปตามกันนั้นวงนค่ายก็อันตรายนะครับ ที่ค่ายที่เขาเสือดาวเนะี่ยเขาเสือดาวอก่อนที่จะออกค่ายก็พาจะริกป่าเนี่ยปรากฏว่านะอ่าไปขึ้นเขาเสือดาวกันไปเจอไอเขาเรื่ออะไรนะที่มาอยู่ในป่าที่มีเขาเขาเรื่องอะไรเลียงเลี่ยงผานะเออเลี่ยงผาเลียงผามันตกมาจากหน้าผาตาย ทีนี้ไอ้ท่านบอลวิทย์เนาะที่ไอ้เซตบุรีนะท่ารู้ว่าไอ้น้ํามันเลี้ยงผ้าเนี่ยมีค่ามาก <c oughs> โอ้ช่วยกันตัดเอาค อ, อเลี้ยงผ้าพวกผ้ามาเลยเนี่ยเออผ้ามานี่พวกป่าไหมเนี่ยมั น, มนพวกไอ้อุทยานนะมันเห็นเข้านี่ไปเรื่องไปราวเลยน <c oughs> <c oughs> ี่เอออย่างเงี้ยก็มีด้วยเนาะ <c oughs> แต่ละค่ายเนาะ <c oughs> ในค่ายที่ตับเตาเนียที่ทำตับเตาเกันผูกผาเนียนเยอะนะสี่ิบห้าสิบลูกตอนนั้นท่านสวัสดิ์่านสวสหายจากค่ายไปก็ตามมากันปรากฏว่านุ่งไปผูกที่ระยองหรือว่านะี่่ <c oughs> สวัสนั้นแต่ละค่ายนะี่ระเผจนภัยกันบางทกีก็ข่ายหลันสางนะอันนั้นก็เรียกไฟทีหนึ่งทีสองตอ่หัวค่ำเราเห็นไฟแป๊บๆอยู่เขาลูกนะู้นทีสองมาถึงเราแนละ้ว แับไฟทั้งคืนเนั่นนะไฟเข้าค่าย <c oughs> โดยเชว่าเราส่วนใหญ่เราเข้าค่าย ห, ห, หน้าหน้าแรงบ้างหน้าหนาวบ้างเราค่ายที่ถ้ำถ้าแสงเทียนอันนั้นก็หนักกันนะวิ่งเขาลุกเขากันอยกครัวขึ้นไปบนบนถ้ำอะไเงี้ยี่ก็มีงูมีอะไรต่างอันั้นเองมันเป็นอะไรบางอย่างที่เราได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านพา พออกไปตรงนู้นตรงนี้เพราะทำไมตื่นตัวนะให้ตื่นตัวก็ผมนึกถึงต้นไม้เนะต้นไม้ที่มันสูงเพราะอะไรมันแย่งกันขึ้นผมมาคิดเอ๊ะทาไมต้นไม้มันไม่ขึ้นแบบเป็นต้นๆขึ้นไปไม่ต้องมีกิ่งทําไมต้นไม้ต้องมีกิ่งผมเมื่อดืต้นไม้แล้วมันมันคดนะบางคดบางต้นโตบางต้นตรงงต้นมีกิ่งเยอะบางต้นไม่ค่อยมีกิ่งเพราะอะไร เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันมันแย่งแสงสว่างกันครับมันจะถ้ามันเบียดกันมากแน้วมันพุ่งวิ่งเอาแสงสว่างกันมันยอมคดนะขอให้ได้ใบไม่ได้แสงสว่างกนเลยถ้ามันอยู่ตำกว่าเพื่อนมันตายนะใช่ไหมเพื่อนเดียวข้ามันตายนะนึกถึงต้นไม้อ๋อที่มันยอมคดมีกิ่งมากๆเพื่อจะแตกลูกแตกหลานออกไปเพื่อไปรับแสงสว่างมาเลี้ยงตัวมันเอง คุณเราเมื่อกี้ในการแสงสว่างหาแสงสว่างในตัวเองแล้วต้องแข่งขันกันนะั่นะนะ่นะเหมือนกับธรรมชาติอะจะยอมหนักอยอมหนาอยอมทุกขนาดไหนก็ขอให้แสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าธรรมชาติไหนต้องการต้องการแสงสว่างพอถ้าได้แสงสว่างเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะมีทางของชีวิตต้นไม้มันต้องการแสงสว่างต้องการส่งเคราะห์อ่าพอหมายถึงว่าถ้ามันได้รับแสงสว่างมันหมายถึงว่ามันได้แลดธาตุ ความอบอุ่นความแข็งแรงขึ้นมานะมันจะสูงไปขนาดไหนลมฝนแดดต่างๆทำให้มันเติบโตนะนนต้นไม้ถ้าหากไม่มีไม่ได้จากแดดไม่ลมไม่พัดฝนไม่น้าไม่ท่วมฝนไม่ตกใส่เนี่ยมันโตไม่เป็นน ะ, ะ น, นี่มีปสัสสาวะปัญหายิงย่งโตอันนี้คือธรรมชาติของอต้นไม้คนเราก็เหมือนกันนะถ้ายิ่งมีปัญหาปสัสสาวะมาก ก็ยิ่งต่อสู้ยิ่งขวนขวายมันก็ยิ่งเติบโตยิ่งสูงขึ้นนะแต่ถ้าคนไหนไม่สูงก็ไม่เพราะว่าก็ตายไปถูกต้นไม้ใหญ่ครอบนงำก็ตายไปก็เหลือแต่ต้นไม้ใหญ่ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายคนที่มีแก่นมีสาระมีอเป็นต้นไม้ประพฤติยืนต้น น, นะนะก็จะก็จะยั่งยืนอยู่นานนะแต่ถ้าหากว่าเราประเภทประเภทล้มลุกอยู่ในฤดูสองฤดู ก, การก็าตายไปแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะ ประเภทนั้นก็เกิดกายเกิดตายบ่อยหน่อยแต่ประเภทต้นไม้ลูกๆมันอายุเป็นร้อยๆปีบางต้นนะเพราะฉะนั้นป่า น, นี้ผมเราชาวบ้านเขาช่วยกันรักษาต้นไม้ดีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะ ก, ก, ก็เลยคิดกันว่าเราน่าจะาช่วยกันรักษาที่เนี่ยว่าเป็นค่ายที่สําคัญถ้าเราจัดค่ายที่นี่เราไม่ต้องมีปัญหาเดือดร้อนเกีเ่ยวกับ อ, อาหารวิถบายนะครับ มีคนดูแลตลอดเดิงน้ำเ่ิงไฟก็ดีนะครับคือว่าดังนั้นในช่วงที่สองนะวันต้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราทดลองดูว่านะช่วงตั้งแต่ตีสี่ไป็อย่างน้อยถึงเก้าโมงเช้าเนี่ยเราได้หลายชั่วโมงนะนะเราก็ปฏิบัติร่วมกันข้างบนเราก็เดินมาเดินจชโกมขึ้นนะครับตอนกลับก็เดินจกมกลับเหมือนกันนะ คนนี้ก็พาอยู่ขึ้นไปทดลองก่อนก็ดีแด้อารมณ์ก็ดีด น, ดนั่งปฏิบัติกับที่ที่ในเจดีฐานเจดีย์ใช้เป็นที่นั่งข้างข้างในข้างนอกก็ได้ในช่วงมืดๆนะเพราะในช่วงใช้สายเราก็แยกย้ายกันไปตามจุดต่างๆในช่วงที่สามเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเนี่ยผมเห็นช่องทางว่าจะต้องได้พาเดินทุลองตามป่านี่ครับ เขาตรงนี้ออกมาตรงนี้เนี่มันน่าจะได้สักวันสองวันได้เห็นตามป่าแล้วตามป่าตามเขาเหมือนก็ธรรมชาติลิกนะนะอหาผ่านป่าสักคนนี่เขารู้จักทางบริเวณนี้มันเป็นที่ไหนบ้างตามพุธธิชาว่าผมไปที่ไหนมาขที่นั่นไปยันรู้ให้หมดว่าที่ไหนไปที่ไหนก็ตั้งแต่ทํำกันวันนี้ตั้งแต่ปีสามศูนย์เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้ครับมันนับค่ายไม่ถทวนแต่ก็มีคนที่ แต่รวมเป็นเจ้าสํานักเป็นพระเจ้าคณะพระสังฆาธทการอย่างเจ้าจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันนะเจ้าคุณวัฒนนนผมพาเข้าค่ายครั้งแรกอยู่ที่ให้กลุ่มนะครับเป็นชูราพรปัจจุบันเนี่เป็นชั้นเทพนะทั้งอาจารย์หาสุรินทั้งเจ้าคุณยุยบ์นะเป็นประโยคก้าแล้วไปปฏิบัติกับผมพินั้นพอหน้าดูดูเข้าค่ายก่อนเข้าไปสาท่านก็ไปด้วยพวกอาจารย์ศริยะอาจารย์ศุริยาอาจารย์กสินอาจารย์ ชายาพุ่นนี้ก็เกิดจากค่ายี่เท่านั้นนะสมัยนั้นหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อบุญธรรมอาจารย์มหาบัวทองอาจารย์ทองพุ่นนี้ก็ไปร่วมกันหมดพระผู้ใหญ่เนะไปให้กําลังใจกันยูแม่ผมก็ไปไปเห็นทำในค่ายนั้นนะครับสมัยนั้นเข้าเพราะฉะนั้นเองในการเข้าค่ายนี่มันเป็นอะไรบางอย่างเหมือนเร า, าเรามาอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งทําให้เราอบอุ่นว่าได้อยู่ใกล้พุทธเจ้าสมัยรขบวนการพุทธ เ, เจ้าก็พาเราทําแบบนี้ ปัจจุบันผ่านมา 2,000 กว่าปีเกืบ 3, 000อบ 3,000 ปีเราก็ยังมีโอกาสได้ทำอย่างพุทธยามาน่าภูมิใจนะครับทำให้เราได้มีกำลังใจว่าเออเราบทมาอาศัยเหลืออาศัยธงชัยของพระอรหันต์เราก็ยังมีกลิ่นอของพุทธเจ้าได้ได้รู้เราก็มีความอิ่มเอิบใจนะครับในการที่จะประคองอเพศของบรรพชิตพุทธพมจันทร์ แบบว่าไม่ได้ด้วยน้ําตาหนองหน้าแต่อยู่ด้วยความเช่มชื่นรืเบิกบานแต่พระประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ําตาหนองหน้าคืออยู่ด้วยการกดการข่ม้วยการลึกถึงความผิดพลาดการผิดศีลผิดธรรมแล้วไม่มีความสุขในที่สุดก็ต้องศึกษาละเพศไปแต่ถ้าเราได้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างบริสุทธิบ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วเนี่ยเรานึกถึงอดีตนึกถึงพฤติกรรมของตัวเองแล้วทําให้เกิดความเบิกบานเกิดความมีความสุขว่าเออดีนะ เราไม่ได้สิ้หาลาเพศไปอ่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาเลี้ยงปัวเลี้ยงเมียของคู้อื่นเราสามารถพึ่งตัวเองได้โดยไม่ต้องคนอื่นเข้ามาให้เราเอาไปเป็นทาสรับใช้เขาเนี่มันก็รู้สึกว่าอิ่มเอิบแล้วก็มีความหลงใจในการที่จะประพฤติถ้ า, ากว่าเราไม่มีความสุขในการปรพึ่งภูมิใจนั่์อยู่ไปก็เห <c oughs> มือนเราอยู่แบบเป็นทาสนะมีไม่มีความสุขตรงนรกไปก็ไม่ ม, มีความสุขเราอยู่เป็นชาวบ้านก็ไม่มีความสุขมาอยู่เป็นนักบวชว่าดีที่สุดก็ไม่มีความสุขเราไม่รู้ชีวิตนี้จะเอาอะไรมันไม่มีความหมายนะแต่ถ้าหากว่าจะมีชีวิตอยู่ต้องมีความสุขก็มีความเบิกบานต้องมีความแจ่มใส ล, ล่าเริงแล้วทําประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ได้ด้วยกัคุ้มละนะ้เรื่องมรรคผลนิพพานมันก็เกิดขึ้นมนเองนะครับไม่ต้องไปปรารถนาถ้าเราทําถูกต้องตามเหตุต า, ห ต, ตามผล ตามเส้นทางที่พระเจ้าตัดเอาไว้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องปรารถนามรรคผลนิพพานมันก็เป็นนรกผลนิพพานแต่เขาให้ให้รู้จักว่ามรรคผลนิพพานคืออะไรเป็นอย่างไรพอเรารู้จักแล้วก็เอาไม่ยากเหมือนเราหาเงินเรารู้จักเงินเราหาเงินไม่ยากนะฉังนั้นในช่วงนี้จากช่วงนี้ไปจากทุ่มครึ่งเป็นต้นไปถึงสามทุมมีเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งได้ไมั้ยชั่วโมงครึ่งสําหรับคนที่เข้าค่าย มาแล้วเคยทำงานดึงค่า ย, ายมาบ้างแล้วสักาสาม 4, 000, สี่พันษาขึ้นไปเสอร์บรมกับผมตรงนี้นะครับสำหรับพระใหม่ตั้งแต่หนึ่งพันษาลงมาถึงสามวันห้าวันเจดวันอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไปสาะหลวงพ่อจันพงศ์ก็ไปใช้อาคารด้านนู้นชช้นล่างนะ นะคับเราโยมเราที่ยังไม่ได้สอบลุมก็เดินปฏิบัติตอนอาคารนั่งปฏิบัติว้างเดินปฏิบัติตามลานนี้บ้างจนเกิดถึงเวลานะครับอันนี้มุญาติโยมไปปฏิบัติที่ด้านหนึ่งก็ได้นะญาติโยมปฏิบัติลงกว่ดักกลางลานนี้นะรอบอาคารด้านนี้จหญ่ไปนั้นสําหรับพระหัวอุโสตั้งแต่ 3, สาภาษาขึ้นไปนะครับอยู่ที่ดีที่อ่อนกว่า สามัญศาก็ไปเสาลงพ่อจันโภงอยู่ทางนู้นเอางั้นดีไหมเนาะเอางั้นครับกระบภาะพค้อมกันชช้นหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวตอนสามทุ่มเราเข้ามาพบ ก, กันอีกทีพรนะอมแล้วกราบ ครับเราก็เอาเก้าอี้อะไรไปนั่งข้างนอกก็ได้อาศารย์ น, นั่งรอบๆลานนี้ว่างเดินจุคงก็เดินกลางลานนั้นสำหรับราที่ไปสอบตรงกระจารย์ผมก็ไปนู่นเพราะพรุ่งนี้เราจะมาพบกันในเช้าจำเป็นได้เคลียร์ดรงภายในสิบวันนี้ก่อนนะครับสำหรับพราเราที่ 2, 3, สองสามภาษาขึ้นไป อยากมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนเข้าใจนะครับหนึ่งถึงหนึ่งสองพรรษาไปหาอาจารย์ผงนั้นถ้าสามพันพรษาขึ้นไปยี่สิบสามสี่พรษาก็มาคุยกันตรงนี้ ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เรากลับมารวมกันในสไลด์อีกครั้งหนึ่งนะ เพื่อสรุป ก, การให้สอบรลมกับปรึกษาหรือเกี่ยวกับไข่ก็เชิญยาโยมเข้ามาด้วยนะนนจากการที่เราได้พูดคุยกันว่า ในแต่ละค่ายแต่ละจุดเป็นอย่างไรนะก็ใน <c oughs> แคมป์ตรงที่ปากขําห้วยไปตรงนู้นแคมป์ที่หนึ่งแคมป์ที่สองที่จันทงที่นี้แล้วก็แคมป์ที่สามก็ะฟ้าทางนี้ท่า น, นก็เลยว่ามีการเปลี่ยนการ น, นิดหน่อยนะครับสําหรับพระเราที่ด้านหน้า ยังมีฐานที่อยู่นั่นเองก็เลยคุยกันว่าให้อย้ายจากทางนี้สี่ลูปไปทางด้า น, นาแล้วไปทาด้านนาสองลูปไปทางนน้น <c oughs> ก็ที่ย้ายก็คือท่านปาท่านน้อยท่านอดูดท่านเอกนี่แค่ไหนนะไม่ใช่ท่นเอกท่านเลยท่านอะไรนะที่อยู่ทาง เออเบนนะเนาะเบนอ๋อแล้วก็ให้ท่านมุนสตะกับหลวงพ่อรักเนาะไปอยู่ค่ายทางนี้แทนทางนี้ก็จะย้ายกันมาหลังจากเพลพวกนี้นี่นยครับท่านน้อยท่านปาแล้วก็เป็นอุดอุดโนมัยเออเนาะเราพวกนี้หลังจากเพนเราจะย้ายไปด้านหน้าไปสลับค่ายกัน ก็ทางท่นศัก์อยู่นั้นน้อยท่านปลาไปทางนี้ด้วยแล้วในฐานะผู้ใหม่จะได้อยู่ใกล้เจนพงศ์เจนพงศ์ได้ดูแลแล้วก็ท่านบินน่นัท่านสมศักดิ์กับหลวงพ่อรักก็ย้ายไปอยู่แทนท่านน้อยก็ท่านป่าหรือ่านอุตโนนสององค์เพราะตรงนี้เอมีพี่เลี้ยงสององค์ก็คือว่าเจนพงศ์กับท่านอุตอยู่ด้านนี้แต่ท่นี้ก็จะมีฝากขนุนก็จะมีท่าน เหนะ็นกบพ่ออะไรนะเขาแบนนะเคยดูแลท่านี้ฝากตัานนี้ก็มีแดงอยู่กับท่านเอกนะ น, นี้เพื่อความสะดวกเวลาเราถึงเช้ามาอาประมาณที่สามนะผู้นี้ใครอาสาตีละครเป็นพงตีละครหน่อยผู้นี้ที่สาม พ่อรักนี่ตีให้ฟังหลายวันลจำไม่ได้เลยก็เลยว่าไม่ให้ตีแล้วจุกลงว่าในช่วงตีสามครึ่งเรามามารวมกันแล้วถ้าหักพร้อมแล้วเราก็เราก็จะเดินขึ้นทางด้านนู้นจงกคลวงไปสำหรับช่วงเช้าผมจะพาขึ้นไปข้างบนให้เจนคงหายาญยมปฏิบัติอยู่ข้างล่าง เช้าเพราะช่วงสายก็พระเราลงมารับพิธบัตรประมาณเก้าโมงแล้วก็ช่วงบ่ายท่านงก็จะดูอยู่เป็นเพื่อนพระข้างล่างแล้วผงจะขึ้นไปเพื่อนบนโบกยงข้างบนนะก็สลับกันเพื่อความสะดวกครับแล้วก็เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในค่ายนี้ มันมีสัพยาพร้อมทุกอย่างไม่ว่าเป็นอาวาัธสัพยะอาหารสัพยะพุกระสัพยะธาธรรมสัพยะพร้อมเราก็อยากจะให้ได้ประโยชน์เต็มที่ที่ตรงไหนอยู่แล้วมันเมื่อค่อยสะดวกในการทําความเพียรเราก็สลับกันไปถ้าสถานที่ก็ทดลองใช้อยู่ขั้นแรกขั้นบนข้างล่างในช่วงสิบวันนี้นะครับช่วงสิบวันหลังนี่ก็ดูอีกทีนว่า มีความพร้อมแค่ไหนนะตั้งใจว่าจะมีธรรมะใจลิกบนภูขเขาด้วยในช่วงท้ายแต่ก็ดูความพร้อมก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงยี่สิบถึงสามสิบในบางทีโยมผู้หญิงที่ค่ายจากนู้นอจะเข้ามาสมคบทางด้านนี้เป็นบอนส่วนนะครับโยมที่เข้ามาใหม่อีกนบางส่วนในนั้นที่เราได้พูดถึงความสําคัญเรื่องอาหารนะว่า เราลองรับมื้อเดียวดูตั้งแต่พรุนี้เป็นต้นไประหว่าง9ก้ามงถึง10บโมงนะครับในช่วงเช้าเราจะมีเวลาปฏิบัติถึง6ชั่วโมงตั้งแต่ตีสี่ถึง9ก้าโมงเช้าช่วงบ่ายกตั้งแต่สิบเอ็ดมงพอฉันเสร็จประมาณสักสี่ถงเที่ยงถึง6กโมงเย็นก็อย่างน้อยเราได้สักสิบสชั่วโมง แล้วก็ในช่วงเย็นจากหกโมงเย็นไปถึงสามทุ่มเราก็ปฏิบัติลมกันที่นี่เลยสาวรลมกันบ้างเป็นบางวันถ้าวันไหนไม่มีเสาวรลมเราก็ปฏิบัติลมกันข้างนอกบ้างข้างในบ้าง น, นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพวาะปัจจุบันนี้เรามีสถานการณ์ต่างๆแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวในเรื่องพระในสายงานก็ดีในเรื่องของ <c oughs> ปัญหาของคณะสงฆ์โดยรวมของบ้านเมืองก็ดีนะและตลอดถึงความแรปรเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจการเมืองเราก็ต้องรับรู้ร่วมกันว่าเราเกี่ยวข้องในฐานะเป็นประชากรนั้นเมื่อมีอะไรเกิดปัญหาตรงไหนมันก็กระทบถึงเก ถ, ถ, ถึงเราด้วยนะนนโอกาสที่เราได้หลีกเลี่ยงมาอยู่ที่ ไ, ไม่ยอมรับรู้ปัญหาหรือทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราได้พัฒนาตัวเอง เื่อจะออกไปตั้งรับปัญหาข้างนอกแล้วอีกหลายคนที่ต้องการพึ่งพาเราในครอบครัวของเรามีห้าคนสิบคนถ้าเรามาเป็นตัวแทนครอบครัวหตัวแทนของวัดคนหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวนในวัดเราก็จะต้องเป็นเสาหลักเป็นกำลังหลักเป็นที่พึ่งหลักให้กับคนในครอบครัวในวัดในบ้านนั้นนะถ้าว่าเป็นผู้นาของวัด เป็นเจ้าคณะภาคสังฆาธิการก็จะต้องเป็นที่พึ่งของญาติโยมทําที่ในชุมชนนั้นและของพระในวัดด้วยภรรารกิจก็หนักขึ้นดังในการพัฒนาเราจําเป็นจะต้องทํากันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลออกไปเพราะว่าเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วก็สามารถดูแลรักษาผู้อื่นได้ด้วยนะ ทีนี้ก็มาวิคีได้คุยกันพระในผู้ที่เคยเข้าค่ายมาก่อนสืบถามว่าพระในสายงานของเราปีนี้เป็นยังไงบ้างในการทำงานก็เช็คไปแล้วแต่ละจังหวัดแต่ละนั้นก็ส่วนใหญ่งานก็เริ่มมีปัญหาว่าครูบาอาจารย์ไม่เพียงพอการดูแลไม่ทท่วถึงพระครูบาอาจารย์ที่เข้ามารุ่นใหม่ก็ยังอยู่ในช่วงปฏิบัติอยู่ ยังไม่สามารถที่จะเป็นที่เลี้ยงเป็นครูบาอาจารย์ได้เต็มที่เพรต่อไปนี่แ ย, ย่ยมที่เข้าใจปฏิบัติจริงๆอาจจะได้ช่วยเหลือนมากขึ้นอย่างที่นี่อย่างยงมวิคุณเนี่ยนอกจากจะช่วยเหลือการปฏิบัติด้านยามสามารถช่วยเหือด้านสัพยาต่างๆได้ด้วยทางเราก็เช่นกันนะก็มีการพัฒนาสายงานเพราปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าการเผยแพร่แต่อาศัยสื่อก็จริง แต่ขณะเดียวกันเสือเองก็เป็นอุปสรปรคปัญหากับนักปฏิบัติด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแต่ละงานเราถึงจะมีการเก็บโทรศัพท์เพื่อป้องกันการกรบกวนจากข่าวสารข้างนอกนะในพวกเราออกไปแค่นอกกำแพงแล้วก็ไปเจอข่าวสารมากมายซึ่งมันทําให้เราเสียเวลาแต่เราก็ต้องรับรู้ในบางส่วนนะเพราะนั้นเองก็ ในช่วงเข้าค่ายเท่นี้อย่างที่อาจารย์พงษ์ท่านว่าแล้วว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆก็มีผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนสามารถทํางานไดนะ้ทุกที่ดังนั้นในปีนี้อในช่วงเข้าค่ายเพราะคุยับอาจารย์ของเราที่จะพร้อมมาเข้าก็ยังยากอยู่แล้วแล้วใ น, นปีต่อไปจะขัดดันไหนนะถ้าปัญหาเรืองบทสัมพันธ์เกิดขึ้นงานค่ายก็แทบจะเป็นไปได้ยากต่อไปอาจจะเป็นงานค่ายของญาติยม พระอาจจะค่อยดหายไปในถ้าหากว่าเป็นปอย่างนั้นในวิธีการโคเทียนก็จะแต่ในขนาดที่ผมยังทำงานได้อยู่คิดว่ายังไงก็ต้องปัญหาอุปสรรคมากขนาดไหนก็ต้องทำเพราะมันเป็นทางเลือกทางสุดท้ายของเราละที่เราจะอศสยวิธีการาทางนี้เราอาใสาา่พุทธศาสนาเพราะเราตามประสบการณ์ว่าเราได้อาศัยวิธีการนี้ได้แก้ปัญห า, อ, าอุปสรรค ได้แบบว่าครบถ้วนในาว่าส่วนตัวและส่วนรวมเมื่อแก้ปัญหาเป็นแล้วก็สามารถมีที่ยืนในสังคมเราได้แล้วโดยทำประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็มีความสุขความสงบได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสิบวันต่อไปนี้ก็อยากให้ทั้งหลายได้ตั้งใจถ้าไม่มีอะไรที่ไม่หรือบกหล็กแล้วก็ร่วมใจร่วมมือกันในการปฏิบัติ ถ้าใครมีภาษาปัญหาอะไรก็ต้องบอกกันนะนั้นก็จะพยายามคจริงไม่ใช่ว่าผมจะ <c oughs> อะไม่มีงานงานก็เยอะอธิวัดงานเพาะว่สร้างงานนั้นน่ะสามสี่อย่างแต่ว่าเพื่องานของพระศาสนาเพื่อพร ะ, อะเพื่อยงของเราที่ได้พัฒนาต่อไปข้างหน้างานทางว่าจะจําเป็นขนาดไหนก็ต้องก็ต้องต่อยวางเอาไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกวัน แต่งานวัดเราสามารถทำได้ตลอดถ้าเราไม่มีค่ายอย่างนี้เราค่ายเดือนหนึ่งแต่ว่าเรามีเวลาทำงานวัดถึงสิบเดือนนะสิบกว่าเดือนหนึ่งนะแต่เราอยู่ค่ายแค่เดือนเดียวก็เพื่อระศาสนาเพื่ อ, อ, อตัวเราเองแล้วเพื่อครูบาอาจารย์เราก็ละได้อยู่แล้ว น, ะนั่นเองก็อ่า ในวันต่อไปนะกิจกรรมแต่ละวันะวันค่อยแจ้งเป็นวันวันไปยังไม่สามารถกาหนดตายตัวไปเพราะปัญหาเกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ย <c oughs> มันไม่เหมือนกันก็แก้กันเป็นวันวันไปนะครับนั่นี้ก็จะให้ทราบนอกจากนั้น <c oughs> ขบุนนะครับช่วงเช้าเราขึ้นไปทอนเช้ามืดเนี่ยจะเป็ต้องใช้เทียนใช้อะไรก็เตรียมขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเอาใครสามารถหาอ่า สะพานไฟหรือคันเอาไฟเจอก็บอกไฟเขาต่อไว้แล้วแต่ว่าไปดูคันเอาอยู่ตรงไหนถ้าหาเจอค่อยตรวจสอบดูนะเพราะฉะนั้นช่ชวงเช้าเราตีตะรังแล้วคนไหนมาก่อนอก็มารวมวันที่นี้นั่งปฏิบัติรอจนเจอครบทุกคนแล้วเราค่อยออกเดินทางร่วมกันถ้ายังไม่ครบเราก็จะต้องตามกันเพื่อที่จะได้พร้อมเพียงกันนะและยมด้วยหลังจากที่มาหรือผมพา เดินขึ้นไปแล้วแันพป่งก็ยังเป็นเพื่อนปฏิบัติของโยมอยู่ที่นี่เราจะไม่เที่วทิ้งอยู่กันนะแล้วหลังจากนั้นกะว่า9โมงถึง10โมงนะเราก็เดินทางออก ม, า, ม า, รารับอาหารในช่วงคืนนี้ก็คิดว่าเรามีเวลาได้พูดคุยกันเราก็สมควรเพราะเป็นการช่วงผ่านกิจกรรมจาก10วันในประหาร10วันต่อไปก็มีการพูดคุยรายละเอียดต่างๆ สำหรับการสอบอารมณ์ของญายมผมก็ได้ผ่าสอบลมตั้งแต่ตอนเย็นแล้วข้างบนก็ลมมานะครับนั้นก็ญายมก็ไม่ต้องสอบอีกนั่นเดี๋ยวช่วงนี้ก็เราในเวลาพัก่อนกลับมาพร้อมกันครับระหังสัมมาสัมพุทโธพระเขวาผู้ ทางพะคะวันตังวันเดมสวาสดูพระค า, าวาตาธรโมุธรรมังนามสามิสุปฏิปนโนพระคาวาตสาวกสังโฆ สังขังนะมามีครับนี่มนนะครับไม่ต้องกลับอีกแล้วนกลับแล้วเกิดสติ